จิตใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆสั่งให้ทำบุญสั่งให้ทำบาปสั่งให้ทำที่ไม่ใช่เป็นบุญไม่เป็นบาป ก, การกระทาของจิตใจผ่านทางร่างกายนี้จะทำให้เกิดผลต่อจิตใจ คือจะทำให้ใ จ, จเจริญขึ้นก็ได้จะทำให้เสื่อมลงก็ได้ใจนี้มีการเปลี่ยนแปลงสามารถขึ้นสูงได้สามารถลงต่ำได้ถ้าขึ้นสูงก็มีความสุขมากขึ้นถ้าลงต่ำก็มีความทุกข์มากขึ้นนี่คือจิตใจของพวกเราทุกคน ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาที่เรามาได้ร่างกายนี้เป็นเวลาที่เรามาพัฒนาทำให้ใจสูงขึ้นดีขึ้นหรือทำให้ใจเลวลงเสื่อมลงด้วยการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจทางใจก็คือความคิดเราต้องคิดก่อน คิดแล้วเราถึงพูดได้คิดว่าจะพูดอะไรเนี่ยเราเนี่ยก่อนจะพูดเราต้องคิดก่อนว่าวันนี้จะพูดอะไรพอคิดแล้วก็สั่งให้พูดออกมาทางร่างกายหรือจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนจะมาวัดก็ต้องคิดก่อนคิดว่าจะมาวัดใจเป็นผู้ริเริ่มการกระทาทางร่างกายทางวาจา แล้วพอทำแล้วมันก็จะมีผลกระทบกับใจทำให้ใจสูงขึ้นหรือทาให้ใจต่ำลงหรือทำให้ใจเท่าเดิมมีการกระทำสามแบบทำแล้วดีขึ้นแบบที่หนึ่งแบบที่สองทำที่ทแล้วเร็วลงแบบที่สามทำแล้วไม่ขึ้นไม่ลงก็เรียกว่ากลางๆางนี่คือสิ่งที่จะมาทำให้ใจเรา เปลี่ยนไปตอนนี้ใจเราอยู่ในระดับของมนุษย์แต่เราสามารถที่จะพัฒนาใจของเราให้ขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าได้ด้วยการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจในทางตรงกันข้าม เราก็สามารถดึงใจให้เราลงต่ำได้จากมนุษย์ให้ไปเป็นเดรัจฉานไ ด, นด้ให้เป็นเปรให้เป็นเปรตเป็นนสุลกายเป็นนรกได้นี่คือใจของพวกเราที่ยังไม่มั่นคงยังขึ้นขึ้ น, นลงๆอยู่แต่ถ้าเราสามารถพัฒนาใจของเราให้ไปถึงขีดสูงสุดได้ ใจของเราก็จะไม่มีวันลงอีกต่อไปขีดสูงสุดก็คือใจเป็นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกพระอรหันหต่สาวกเป็นใจที่ได้รับการพัฒนาจากมนุษย์ให้เป็นเทพจากเทพให้เป็นพรหมจากพรหมให้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่ พอถึงขั้นที่สี่ก็เป็นขั้นสูงสุดเป็นขั้นที่ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเป็นไปตลอดเป็นพระอาหารหันตสาวกก็ยังเป็นไปตลอดเป็นพระบุคคลขั้นแต่ละขั้นก็จะเป็นจะเป็นอย่างนั้นจะไม่ลงต่ํากว่านั้นมีแต่จะขึ้นเช่นขั้นที่หนึ่งนี้ที่เรียกว่าพระโสดาบันนี้จะมีแต่ขึ้นไม่ลง จะไม่ลงมาเป็นพรหมไม่ลงมาเป็นเทวดาแต่ยังอาจจะกลับมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมาพัฒนาต่อจิตใจไม่ได้เป็นมนุษย์แต่ต้องอาศัยร่างกายของมนุษย์มาพัฒนาต่อให้ขึ้นขั้นที่สองขั้นที่สามจนถึงขั้นที่สี่พอถึงขั้นที่สี่คือขั้นของพระอรหันต์ขั้นของพระพุทธเจ้านี้จิตใจก็จะไม่ กลับมาเป็นอะไรอีกต่อไปไม่มาเป็นพรหมไม่มาเป็นเทพไม่มาเป็นมนุษย์ไม่มาเป็นเดรัจฉานไม่มาเป็นเปรตไม่มาเป็นอสุรกายไม่ไปนรกนี่คือจิตใจที่เราสามารถที่จะพัฒนาได้การจะพัฒนาได้เราก็ต้องมีครูมีอาจารย์มีคนที่รู้วิธีพัฒนา ถ้าเราไม่มีครูอาจารย์เราจะไม่รู้วิธีพัฒนาเราจะไม่รู้ว่าการกระทำต่างๆของเราในแต่ละวันนี้ทำให้มีผลกระทบต่อจิตใจเราอย่างไรดีหรือไม่ดีเราไม่รู้แต่ถ้าเราได้มาพบครูบาอาจารย์ที่รู้เรื่องเราเหล่านี้ท่านก็จะสอนเราบอกเราให้รู้ว่าความคิดของเราการพูดของเรา การกระทำอะไรต่างๆของเราทางร่างกายนี้จะมีผลกระทบต่อจิตใจของพวกเราถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราก็จะไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรทําผิดทําถูกทําดีทําไม่ดีเราก็จะทําไปตามความรู้สึกเวลามีอารมณ์ดีเราก็จะทําดีเวลามีอารมณ์ไม่ดีเราก็จะทําไม่ดีทําดีไงก็ทําละ ทำทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นทำให้คนอื่นเขามีความสุขทำไม่ดีก็คือทำแล้วเกิดโทษกับคนอื่นทำแล้วทำให้คนอื่นเสียหายเดือดร้อนนี้ว่าเป็นการทำไม่ดีถ้าเราไม่มีครูอาจารย์เราก็จะไม่รู้ว่าทำดีแล้วได้ดีเป็นอย่างไรทำไม่ดีแล้วไม่ดี ได้อย่างเป็นอย่างไรเราจะไม่รู้เพราะเราจะเข้าใจผิดกันคิดว่าถ้าเราทำดีเราต้องรวยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ถ้าเราทำดีแล้วเราต้องเป็นใหญ่เป็นโตอันนี้ไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการทำดีหรือไม่ดีผลที่เกิดจากการทำดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะรวยหรือจะจนจะเป็นใหญ่หรือไม่เป็นใหญ่ จะมีคนยกย่องสรรเสริญหรือไม่มีใครยกย่องสรรเสริญอันนี้ไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการทำดีหรือทำไม่ดีผลที่เกิดจากการทำดีไม่ดีอยู่ที่ใจที่จะทำให้ใจเราเปลี่ยนจากมนุษย์ไปทางที่ดีก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไจเป็นพระอริยเจ้าทางที่ไม่ดีก็ทำให้เรา เปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนสุลกายไปอยู่ในนรกนี่คือผลที่เกิดจากกระทบเกิดจากการกระทําความดีหรือไม่ดีดีการกระทําความดีทพภาษาพระเรียกว่าบุญทําบุญการว่าทําบุญนี่ทำไงเพียงเรียกว่าทําบุญ ทำให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์จากการกระทาของเราเช่นวันนี้ญาติโยมก็เอาข้าวของเงินทองสิ่งขอ ง, งต่างๆมาถวายให้กับพระให้กับวัดนี่อันนี้ทำประโยชน์ให้กับพระกับวัดช่วยให้พระอยู่อย่างมีความสุขสบายบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของพระอันนี้เรียกว่าบุญมีผลกระทบต่อผู้อื่นในทางที่ดี ทำให้ผู้อื่นมีความสุขนี่เรียกว่าบุญพอทําแล้วจิตของเราก็จะสูงขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นเจตเราจะรู้สึกมีความสุขเวลาเราได้ทําบุญเวลาเราได้ทําความดีเวลาเราทําประโยชน์ให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนที่เราไม่รู้จักเป็นคนที่เดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อน เราทําประโยชน์ให้กับเขาแล้วเขามีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขจากการที่เราได้ทําให้เขามีความสุขความสุขนี้แหละที่จะทําให้เรากลายเป็น เ, เทวดาไปในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเช่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่น ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นทำให้เขาเกิดความเสียหายหรือไปฆ่าเขานี่ไปทำให้เขามีความทุกข์เราก็จะมีความทุกข์กลับมาหาเราเวลาเราทำบาปนีใจเราจะไม่สบายเวลาเราไปโกหกแม่นี่จะรู้สึกไม่สบายกลัวแม่จะรู้กลัวแม่จะจับได้หรือเวลาเราไปโกหกใครก็ตา่าง มันมีผลกลับมาที่ใจทำให้ใจเราทุกข์มากขึ้นมีความทุกข์มากขึ้นความทุกข์นี่แหละที่ทำให้ใจเราเสื่อมไปเป็นเดรัจฉานเสื่อมไปเป็นเปรตเสื่อมไปเป็นอสุรกายเสื่อมไปเป็นนรกขึ้นอยู่ที่ว่าทามากทาน้อยทำมากก็จะเป็นมากขึ้นไปเรื่อยๆทำน้อยก็เป็นน้อยตอนนี้เราเป็นมนุษย์ พอเราทําบุญเราก็จะเป็นเทพขึ้นมาหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งส่วนแต่99ส่วนยังเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเราทําบุญเพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวเราก็เป็นเทพสองส่วนเป็นมนุษย์98ส่วนถ้าเราทําบุญอยู่เรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเป็นเทพระดาเป็นเทพทั้งร้อยถึงแม้ว่าร่างกายเราเป็นมนุษย์อยู่ แต่ใจของเราเป็นเทพไปแล้ว mm hmm. เวลาเราตายไปนี้ใจเราไปเป็นเทพ mm hmm. ไปอยู่ในสวรรค์ mm hmm. ไปมีความสุขอยู่กับสวรรค์ mm hmm. แต่การไปเป็นเทพหรือการไปเป็นเดชะ น, นิ mm hmm. ไปเป็นเปรต mm hmm. เป็นอสุรกายนี้ mm hmm. มันก็ไปแล้วยังต้องกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ เพราะบุญที่ส่งให้เราไปสวรรค์มันก็เหมือนน้ํามันน้ํามันรถเวลาเราเติมพอเราขับไปไหนมาไหนเดี๋ยวน้ํามันก็หมดพอน้ํามันหมดเราก็ต้องกลับไปเติมน้ํามันที่ปั๊มที่สถานีบริการใหม่ <Yeah. S 2> การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เหมือนกับการมามามาที่สถานีบริการมนุษย์เท่านั้นที่สามารถมาเติมบุญหรือเติมบาปได้ ถ aces, to to Buddha, ้าเป็นเทวดาไม่มีเวลาไปทำบุญเพราะในโลกของเทวดาไม่มีใครเดือดร้อนทุกคนมีความสุขก็เลยไม่ต้องช่วยเหลือกันไม่ต้องมีอะไรทำอะไรให้กับกันและกันก็เลยไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปทำบาปเพราะทุกคนมีความสุขคนที่ทำบาปเพราะมีความทุกข์เดือดร้อนอยากจะบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของตนเอง ก็เลยเลือกวิธีที่ ง, งา่ายๆก็คือไปทำบาปไปขโมยเงินของคนอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขาดแคลนไม่มีเงินใช้อยากจะมีเงินใช้แทนที่จะไปทำงานมันช้ากว่าจะได้เงินมามันช้าและน้อยก็เลยไปพ้นธนาคารดีกว่าอัางนี้ก็มันมีมันมีเหตุการบังคับให้ไปทาบาปแต่เวลาเป็นเทวดานี้มันไม่มีเหตุการให้ทำบาป มันก็จะมันก็จะเสษ บ, บุญที่ได้ทำไว้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวบุญนี้ที่เสบมันก็จะหมดเหมือนกับเติมน้ำมันรถพอเติมน้ำมันรถแล้วขับรถไปเที่ยวกันไปเที่ยวตามที่ต่างๆเดี๋ยวพอไม่สักพักหนึ่งเราดูที่เกร์รถเกียร์น้ำมันบอกใกล้จะหมดแล้วไฟแดงขึ้นแล้ว เ, เราก็รู้แล้วว่าถึงเวลาที่จะต้องแวะเติมน้ามัน เราก็จะแวะจอดเราไปเป็นเทวดาสักพักหนึ่งอาจจะร้อยปีพันปีพอบุญที่พาให้เราไปเป็นเทวดานี้มันหมดเราก็จะลงมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็จะมาทําบุญใหม่เพราะอะไรเพราะมันเป็นนิสัยของเราถ้าเราเคยทําบุญพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะชอบทําบุญไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครบอกเราเคยทําอะไรเราชอบอะไร พอเวลาเรากลับมาเป็นมนุษย์เราก็จะทำอย่างนั้นใหม่ในทางกฎการข้ามถ้าเราชอบทำบาปเวลาเรากลับมาจากอบายเราก็จะกลับมาทำบาปต่อแต่เราสามารถเปลี่ยนความนิสัยของเราได้นิสัยทำบาปหรือนิสัยทำบุญนี้อาจจะเปลี่ยนได้ถ้ามีเหตุการณ์หรือมีคนคอยสอนคอยบอกถ้าเราไปอยู่ไปเจอเหตุการณ์ ที่บีบบังคับเราทำให้เราต้องไปทําบาปถ้าเราไม่มี ก, การลังเกยียจการทําบาปมากๆเราก็อาจจะทนกับเหตุการณ์ที่บีบบังคับไม่ได้เช่นเราไปอยู่ในช่วงสงครามอดข้าวอยากหมากแพงหรือว่าต้องต่อสู้กับข้าศึกศัตรเูเพื่อเอาตัวรอดถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ต้องฆ่าเราเ เราก็จะถูกเหตุการณ์บังคับให้เราทำบาปแต่ถ้าเราเป็นคนที่เกลียดการฆ่าสัตว์อย่างสุดๆเนี่ยก็อาจจะยอมให้เขาฆ่าแทนที่จะไปฆ่าเขาถ้าหลบไม่ได้หนีไม่ได้ก็ยอมให้เขาฆ่าเพราะเราจะเราไม่มีนิสัยที่จะชอบที่จะฆ่าใครอันนี้ก็มีสำหรับคนบางคนคนพวกนี้จะไม่มีวันไปอบายได้ เ, เขาจะไม่ฆ่าโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าเขาจะต้องถูกฆ่าเองอันนี้คือเรื่องของจิตใจของพวกเราแต่ละคนนี่การกระทําบาปของเราหรือการกระทําบุญของเราเนี้มันออกมาสองทางด้วยกันทางหนึ่งก็ทางใน ใ, นใจเราถ้าเราเคยมีนิสัยชอบทําบุญเราก็จะทําบุญของเราไปถ้าเราไม่นิสัยชอบทําบาปเราก็จะทําบาปไป แล้วอีกทางหนึ่งที่ทำให้เราไปทำบุญหรือทำบาปก็คือเหตุการณ์ถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์ที่บางทีมันบังคับให้เราต้องไปทำบาปเช่นเรายากจนอดอยากขาดแคลนบางทีเราหิวมากๆไม่รู้จักหาที่หาอาหารจากที่ไหนก็ต้องไปขโมยของในร้านอาหารในร้านที่เขาขายอันนี้ก็ก็อาจจะถูกเหตุ ก, การณ์บังคับ หรืออาจจะไปอยู่กับคนที่เขาสอนให้เราทําอย่างนี้เช่นไปอยู่กับครอบครัวที่มีอาชีพฆ่าสัตว์เช่นไปอยู่กับชาวประมงชาวที่เขาต้องไปจับปลาจับปูจับอะไรมาฆ่าแกงมาขายเราเป็นลูกอยู่ในบ้านก็ต้องทำตามที่พ่อแม่ทําอันนี้ก็เหตุการณ์พาให้เราทําไป แต่ถ้าเรามีความจิตสำนึกที่ฝังลึกอยู่ในใจถึงแม่พ่อแม่จะบอกให้ทำถ้าเราไม่ชอบทำบาปเราก็อาจจะไม่ทำก็ได้เราก็อาจจะถูกพ่อแม่ด่าว่าดือ้ออย่างงู้นอย่างนี้แต่เราก็บอกว่าเราไม่ทำอันนี้สำหรับคนที่มีจิตสำนึกที่ฝังลึกที่ไม่ชอบทำบาปหรือคนที่มีจิตสำนึกที่ชอบทำบุญไปอยู่ที่บ้านเขาไม่ทำบุญไม่ใส่บาต แต่เรากับชอบใส่บาทเราก็อาจจะแอ บ, บไปใส่บาทของเราเองที่บ้านไม่ใส่บาทแต่เวลาพระมาก็อาจจะแอ บ, บทำบุญของเราไปอันนี้มันเรื่องของนิสัยที่มันจะติดตัวกับเราไปนิสัยทำบุญถ้ามีนิสัยทำบุญมีโอกาสก็จะชอบทำบุญนิสัยทำบาปถ้ามีโอกาสก็จะทำบา ถ้าเป็นคนที่ไม่มีนิสัยหนักไปทางบุญหรือทางบาปเป็นนิสัยกลางๆางถ้าไปอยู่กับคนที่เขาชอบทำบาปเขาก็จะดึงเราไปทำบาปได้ถ้าไปอยู่กับคนที่เขาชอบทำบุญเขาก็จะดึงเราไปทำบุญได้ยังไงการทำบุญทำบาปของเรานี่มันมีหลายปัจจัยมีหลายเหตุด้วยกันอีกเหตุหนึ่งที่จะทำให้เราทำบุญหรือ ไม่ทำบาปได้ก็คือถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปเนี่ยท่านจะสอนให้เราทำบุญละบาปอันนี้แล้วท่านก็จะสอนเราว่าทำไมถึงต้องทำบุญทำไมถึงต้องละบาปเพราะทำบุญแล้วจะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นถ้าทำบาปแล้วจะ จะฉุดให้จิตใจเราตกต่ำจะให้มีความทุกข์มากขึ้นเวลาตายไปจะต้องไปอยู่ที่ไม่น่าปรารถนาไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุ ร, รกายไปอยู่ในนรกอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เราไม่ทำบาปทำแต่บุญเราต้องเจอพระพุทธศาสนา ถ้าไม่เจอพระพุทธศาสนาหรือไม่เข้าวัดเนี่ยคนไทยบางคนไม่เข้าวัดเขาก็ไม่รู้ว่าการกระทาของเขานี้ทำดีได้ดีอย่างไรทำชั่วได้ชั่วอย่างไรเขาไม่รู้เขากลับไม่เชื่อเพราะเขาคิดว่าทำทาดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยทำบุญแล้วมีแต่ขาดทุนเห็นไมมีแต่เสียเงินหมดเงินมันไม่เห็นรวยตรงไหนเลยทำบาปกับรวยกันเห็นไหมไปขโมยกันไปช่อโกงกัน เป็นใหญ่เป็นโตกันก็เพราะทําบาปกันเวลาเลือกตั้งก็ซื้อเสียงกันอย่างนี้มันก็ทําบาปแต่มันได้ทําบาปกับได้ดีแต่เขาไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นผลของการทําบุญทําบาปผลของทําบุญทําบาปคือจิตใจของเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าถ้าทําดี ถ้าทำชั่วก็เปลี่ยนไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอนุสรกายเป็นนรกไปอันนี้เขามองไม่เห็นเพราะจิตใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายก็เลยทำให้เขาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเพราะอะไรเพราะเวลาร่างกายตายไปแล้วใครไปรับผลบุญผลบาปเวลาร่างกายตายไปก็เอาไปเผาใช่ไหมเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วใครไปรับผลบุญผลบาป เขาไม่เห็นตัวใจที่ไม่มีรูปร่างใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายคิดสั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำด้วยความคิดของใจอันนี้ไม่มีใครรู้ได้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติ ฝ, ฝึกจิตนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิแล้วจะเริ่มเห็นตัวจิตเห็นจิตใจถ้าไม่นั่งนี้จะไม่เห็น คนที่นั่งสมาธิถึงเห็นกันนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสาวกของพระพุทธเจ้านั่งสมาธิกันทั้งนั้นพอนั่งแล้วเขาถึงเห็นตัวจิตที่ไม่ใช่เป็นตัวร่างกายเขาจึงรู้ว่าตัวนี้แหละที่สุขหรือที่ทุกข์เวลาทําบุญเนี่ยตัวที่สุขไม่ใช่ร่างกายร่างกายเหมือนเดิมตัวที่สุขเนี่ยคือใจเวลาทําบาปตัวที่ทุกข์ก็ไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันไม่รู้สึกอะไร ไปฆ่าคนกี่คนร่างกายมันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ใจเนี่ยร้อนขึ้นมาใจทุกข์ขึ้นมาจะเห็นตัวนี้ได้ก็ต้องนั่งสมาธิแล้วถึงจะเห็นว่าอ๋อตัวนี้แหละตัวที่รู้ที่คิดเนี่ยตัวที่มีความสุขหรือมีความทุกข์นี้คือตัวนี้เองตัวนี้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวนี้แหละที่จะไปเป็นเรสเป็นอสุรกายเป็นนรก หรือไปเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นพระอริยะเจ้ากันอยู่ที่ตัวนี้เอง <c oughs> ความรู้อันนี้เราไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวเราเองถ้าเราไม่ได้ฝึกสมาธิ <c oughs> เราต้องอาสายคนที่ฝึกสมาธิมาสอนมาบอกเรา <c oughs> มาสอนให้เรารู้ว่าบุญนี้ทำแล้วมีผลตามมาจริงๆบาปนี้ทำแล้วมีผลตามมาจริงๆ <c oughs> จะทำให้เรา จิตใจของเราสุขมากขึ้นหรือทุกข์มากขึ้นทําบุญแล้วจิตใจจะมีความสุขมากขึ้นพอมีความสุขมากขึ้นก็เปลี่ยนชื่อจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาจากเทวดาไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพราะอารหันต์อันนี้เป็นระดับของความสุขแต่ระดับเราเรียกชื่อต่างกันไปความสุขของเทวดาก็ระดับหนึ่ง เปรียบเทียบความสุขเทวดาก็เป็นเหมือนเงินร้อยบาทความสุขของพรมก็เป็นเหมือนเงินพันบาทความสุขของพระโสดาบันก็เหมือนเงินหมื่นบาทคว า, ขข ค, ความสุขของพระสกิดาคามีก็เหมือนเงินแสนบาทความสุขของพระอนาคามีก็เป็นเหมือนเงินล้านบาทความสุขของพระอรหันต์ก็คือเหมือนเงินสิบล้านบาทความสุขของพระพุทธเจ้ชชาก็เป็นเหมือนร้อยล้านบาท มีความสุขต่างกันไปตามการตามการกระทาที่เรียกว่าบุญอันนี้แหละที่ทำให้เรานี่แหละคือผลบุญไม่สูญหายไปบุญที่เราทำทุกวันนี้ไม่สูญหายไปเพียงแต่เราไม่รู้จักมองไม่รู้จักมองว่าอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราสังเกตดูคนที่ทำบุญเรื่อยๆเนี่ยจะมีความสุขใจเย็นใจ จะไม่วุ่นวายใจเหมือนกับคนทําบาปคนทําบาปนี้มันจะวุ่นวายใจเดือดเนื้อนอนใจอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเรียกว่าวัวสันหลังหวะวัวสันหลังหวะนี่เวลามีมีมแมลงมีอะไรไปไปกัดไปเกาะแผลมันมันก็เจ็บขึ้นมาเวลาทำบาปนี้มันทำให้เหมือนกับกรีดแผลไว้ในใจ มันพอมีอะไรมากระทบหน่อยมันก็เจ็บนะแต่คนที่ไม่ได้ทำบาปนี้มันไม่มีแผลจะมีมแมลงมาเกาะมีมนกมาเกาะมันก็ไม่เจ็บ น, ะนี่แหละคือเรื่องของใจเรื่องของบุญของบาปมีผลกระทบกับใจเพราะใจเองนี่แหละเป็นผู้ทำใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเป็นผู้รับใช้ใจ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใใจสั่งให้ร่างกายทำบุญแล้วผลก็เกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่ร่างกายผลที่เกิดที่ร่างกายนี้เป็นของก็เรียกว่าของแถมบางทีก็เกิดบางทีทำความดีเขาก็ขึ้นขึ้นเงินเดือนให้เราผู้ที่รับรางวัลก็คือร่างกาย ได้เงินเดือนไปซื้อข้าวกินมากขึ้นซื้อเสื้อผ้ามาใส่เพิ่มมากขึ้นนี่เป็นผลผลพลอยได้ซึ่งบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีทําดีไม่มีใครรู้ก็เลยไม่ได้ขึ้นรางวัลไม่ได้ไม่ได้รับรางวัลนั่นอย่าไปดูผล น, นี้ผลที่เกิดจากการทําความดีอย่าไปดูผลที่จะได้จากคนอื่นเพราะว่ามันไม่แน่นอน งที่เราทำดีแต่ไม่มีใครรู้หรือรู้แต่เขาไม่ชอบที่หน้าเราเขาก็ไม่เขาก็ไม่แสดงความชื่นชมยินดีกับเราเขากับอิจฉาเราสิยิ่งเห็นเราได้ดีเขายิ่งเกลียดเราโกรธเราขึ้นมาอีกก็ได้ mm. ใช่ไหมนั้นอย่าไปมองตรงนี้ถ้ามองตรงนี้เราจะเข้าใจผิดจะทำให้ไม่มีกำลังใจที่จะทำความดี mm. ทำดีแล้วกับมีแต่คนเกลียดมีแต่คนอิจฉาริษยา mm. อันนี้ไม่ใช่เป็นเป็นผลของการทำความดี <Yeah. S 1> คนเขาเกลียดชอ้อยสายริษยานี้เป็นเรื่องของเขาเพราะเป็นคนไม่ดีเขาถึงไม่อยากให้คนอื่นดีกว่าเขาเพอเขาเห็นคนอื่นดีกว่าเขา mm. เขาก็โกรธขึ้นมาอิจฉาริษยาขึ้นมานั้นเองอันนั้เราอยู่ในโลกที่จะต้องเจอคนแบบนี้เราอย่าไปถือสา uh. <Yeah. S 1> ขอให้เราดูที่ใจเรา เวลาเราทําความดีแล้วใจเรามีความสุขแล้วขอให้รู้ว่าเวลาตายไปใจเราจะสุขไปอีกนานจะอยู่แบบเทวดาอยู่แบบไม่ต้องอไม่มีไม่ต้องมามีร่างกายมีร่างกายนี้ยังต้องเหนื่อยต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายคอยรักษาร่างกายแล้วต้องคอยไปทํางานทําการมาอะไรเพื่อรักษาร่างกาย เราก็ยังต้องมาเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความตายของร่างกายเวลาตายไปไม่มีร่างกายนี้ถ้าใจามีบุญก็ไปเป็นเทวดาสบายกว่าเวลาเป็นเทวดาความสุขของเทวดาเป็นแบบไหนเราก็มีตัวอย่างให้ดูเวลาที่เราน อ, นอนหลับนี่ก็เหมือนเวลาที่เราตายไหมตอนที่เราน อ, นอนหลับนี่เราใช้ร่างกายหรือเปล่าร่างกายก็เหมือนคนตายใช่ไหม นอนแข็งทื่ออยู่นั่นแต่ใจยังใจยังไปอยู่ไม่ใช่ใจยังทํางานอยู่ใช่ไหมใจฝันได้หรือเปล่าเวลานอนหลับฝันไปหรือเปล่าคยฝันหรือเปล่าคยฝันดีไหมยคยฝันไม่ดีไหมนั่นแหละนี่คือดังตัวอย่างถ้าฝันดีก็แสดงว่าเป็นเทวดาถ้าฝันไม่ดีฝันแล้วมีแต่ความทุกข์ก็เรียกว่าเป็นอบายเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นนรกบ้าง นี่ลเวลาที่ไม่มีร่างกายใจก็จะอยู่ในสภาพเหมือนคนนอนหลับแล้วฝันไปถ้าทําบุญมีความสุขเวลานอนหลับมันก็จะฝันดีเวลาตายมันก็จะฝันดีเป็นเทวดาไปเวลาทําบาปมันก็จะฝันร้ายเพราะมันทุกข์มันใจมีแต่ความทุกข์ขณะที่ตื่นก็ทุกข์เวลาหลับก็ทุกข์ พระพุทธเจ้าบอกว่าคนทำบุญทำความดีนี้ตื่นก็สุขหลับก็สุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายคนที่ทำบาส น, นี้ตื่นก็ทุกข์หลับก็ทุกข์เวลานอนหลับก็จะฝันร้ายถ้านอนยาวหลับยาวก็คือเวลาตายนี้ก็จะเป็นไปนานเป็นไปจะฝันร้ายไปจนกว่าจะมีร่างกายอันใหม่จึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ หรือถ้าฝันดีก็จะฝันดีเป็นยาวจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ถึงจะตื่นขึ้นมาใหม่เนี่ยแหละคือจิตใจของพวกเราที่เรากําลังทำแล้วก็ส่งผลให้กับจิตใจโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเรากําลังทําให้เราเป็นเปรตหรือเป็นเทวดาเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานถ้าอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ก็ต้องไม่ทํำบาป ถ้าไม่ทำบาปนี้ยังเป็นเทวดาไม่ได้แต่รักษาความเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะถ้าไม่ทำบาปก็จะไปเป็นเนรชานไม่ได้การจะไปเป็นเนรชานี้ต้องทำบาปการจะเป็นเปรตก็ต้องทำบาปเป็นอนุสรกายก็ต้องทำบาปไปนรกก็ต้องทำบาปทำไมจึงมีต่างกันเพราะเหตุที่ทำให้ทำบาปนี้ต่างกัน ถ้าทําด้วยความหลงนี่เขาเรียกว่าเดราจฉานไม่รู้ว่าทําบาปเดราจฉานนี่เขาไม่รู้ว่าเขาทําบาปกันเขาอยากจะกินอะไรเขากัดกินนะมีอะไรให้เขากัดเขากินมีอะไรให้เขาขโมยได้เขาก็ทำํำ<ม>เขาก็เลยต้องเป็นเดราจฉาน<ม>พวกที่ทําบาปโดยไม่รู้ว่าบาปเช่<ม>นพวกคนที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่เขาก็ไม่รู้ว่าบาปเขาก็คิดว่าเป็นวิธีเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขา เขาก็ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นบาปเขาก็ทําไปเพราะเขาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาแต่เขาไม่รู้ว่ามีวิธีที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้โดยไม่ต้องทําบาปเช่นกินเจถ้าเป็นกันวัวเป็นควายก็กินผักกินหญ้าไปก็ไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ไม่ต้องไปกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ได้ แต่เขาไม่รู้เขาเลยคิดว่าการเลี้ปากเลี้ยงท้องเขาด้วยการทำลายชีวิตของผู้อื่นนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ต้องทาเขาก็เลยต้องเป็นเดลชาญแล้วเป็นเปรตนี้เป็นอย่างไรเปรตก็พวกที่ทํำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะท่านเปรียบเทียบเปรตว่าเป็นเหมือนอสัตว์ที่มีปากเท่าดูเข็ม มีท้องเท่าตุ่มน้ำํำคิดดูก่อจะเอาน้ําเข้าไปให้มันเต็มตุ่มนี่มันต้องทําต้องดูดน้ํามากเพราะน้ํามันเข้าได้ผ่านรูเข็มเนี่ยมันจึงได้น้อยมากคนที่เป็นเปรตก็แบบเนี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพอได้แล้วก็อยากจะได้ได้คือก็อยากจะได้สอกได้ศอบ ก, ก็อยากจะได้วา เลยต้องไปทำบาปเพราะว่าทําล้นกินเงินเดือนไม่พอใช้เงินเดือนได้แค่หมื่นสองหมื่นแต่อยากจะได้แสนนี่ก็ต้องไปทำบาปนเยทำบาปด้วยความโลภท่านก็เรียกว่าเป็นเปรตได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมได้แสนก็ไม่พอได้แสนก็อยากจะได้ล้านเพราะพอได้มาแล้วมันเอาไปใช้หมดะพอมีเงินแล้วเห็นอะไรซื้อหมดเลย เห็นอะไรตามร้านนี้ชอบก็ซื้อมันทันทีพอหมดก็ต้องไปทําบาปเพิ่มขึ้นนี่เขาเรียกว่าพวกที่ทําบาปด้วยความโลภจะไปเป็นเปรตพวกนี้จะมีแต่ความหิวความอยากอยู่ตลอดเวลามีเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพวกที่เป็นอลุอสุรกายก็พวกทําบาปเพราะความกลัวกลัวจะถูกเขาทําร้ายเราเลยไปทําร้ายเขาก่อน กลัวยุงจะกัดก็เลยตบยุงซะก่อนกลัวมดมันจะมากัดนี้ก็ฆ่ามดซะก่อนนีก่กลัวอะไรถ้าฆ่ามันได้ก็ฆ่ามันเลยพวกนี้ก็จะเป็นอสุรกายพวกนี้ก็จะอยู่กับความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาเห็นอะไรก็กลัวไปหมดกลัวจะมาทําร้ายตัวเองมีความทุกข์ด้วยความกลัวทําบาปด้วยความกลัวคือความจริงไม่ต้องฆ่าเขาก็ได้ เช่นยุงมาแล้วก็ปัดมันไปเราก็มีมุง้งหลบเข้าไปอยู่ในมุง้งยุงก็ไม่กัดเราเราก็ไม่ต้องทำบาปถ้ามดมันขึ้นบ้านเราก็กวาดมันไล่เอามันออกไปหรือหาอะไรกั้นมันไว้อย่างนี้เขาก็มียาให้ขีดช็อกอะไรนี้ขีดพอมันได้ลมข่ดมันก็ไม่มาแล้วเราก็ไม่ต้องไปฆ่ามันก็ได้ถ้าเราไม่ฆ่ามดได้ไม่ฆ่ายุงได้เราก็ยังเป็นมนุษย์ต่อไปได้ แต่ถ้าเราไปฆ่ามดฆ่ายุงนี่เราก็เริ่มไปเป็นอสูรกายแล้วแล้วถ้าเราทําบาปเพราะเราโกโรธใครเกลียดใครอาฆาตพยาบาทนี่ใจก็จะเป็นนรกขึ้นมาใจนี่จะร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับสังเกตดูเวลาโกโรธใครเกลียดใครนี่นอยากจะฆ่าเขาอย่างเดียวฟันต่อฟันตาต่อตาพอไปทําแล้วก็ใจยิ่งร้อนใหญ่ พอทำแล้วที่กลัวเขาจะกลับมาทำเราสิไปทำเขาเดี๋ยวเขาต้องกลับมาทำเราถ้าเขาตายไปก็มีคนอื่นมาทำแทนเขาต้องมีมีตารวจมาจับเราไปขังคุกขังตารางดีไม่ดีก็จับไปประหารชีวิตต่อไปเนี่ยทำบาปเพราะความโกรธเนี่ยก็จะทำให้ใจเราเป็นนรกเป็นไฟขึ้นมาร้อนเป็นไฟนรกขึ้นมาคิดดูเป็นเป็นไม่ใช่เป็นแค่ เดือนสองเดือนมันเป็นหลายปีเวลาตายไปเนี้ยถ้าไปทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาตใจมันจะลุกเป็นไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มีร่างกายใหม่ได้มาเกิดใหม่มันถึงจะดับไปชั่วคราวแต่มันนิสัยที่จะฆ่าคนมันก็จะติดตัวมาพอใครมาทำให้โกรธก็เดี๋ยวก็ฆ่าเขาอีกเห็นไหมสังเกตคนบางคนทาไมต้องไปฆ่าคนอื่นเวลาโกรธใครนี่เพราะนิสัยเขาเป็นอย่างนี้ นิสัยเดิมเขาเคยทำอย่างนี้มาพอก็มาใครมาทำให้เขาโกรธเขาก็จะฆ่าแต่คนที่มีนิสัยทำบุญเขาจะไม่ฆ่าเขาจะให้อภัยมีความเมตตาใครมาทำให้เขาโกรธเขาก็ถือว่าเป็นเป็นกรรมของเขาแล้วกันที่ต้องมาเจอคนแบบนี้แต่เขาจะไม่ถึงกับอาฆาตพยาบาทที่จะไปจองเวรจองกรรมล้างแค้นกันเขาก็ปล่อยให้ มันผ่านไปหมดไปแล้วเขาพูดอะไรทำอะไรไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วไปตอบโต้มันเดี๋ยวก็ยังเป็นเรื่องราวใหญ่โตใหญ่ถ้าคนมีนิสัยทาบุญจะไม่คิดทำร้ า, ายผู้อื่นจะพยายามห้ามใจตัวเองไม่ให้ไปทำบานี่แหละคือเรื่องของการทำให้ใจเราสูงขึ้นหรือต่ำขึ้นส่วนหนึ่งก็อยู่ที่อารมณ์ของเรา วันไหนอารมณ์ดีก็ทำดีกันวันไหนอารมณ์ไม่ดีนี่โหยวุ่นวายไปหมดใชสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นเจอใครก็ด่าเขาว่าเขาบ่นว่าดีไม่ดีก็ทุกข้าวของถ้าห้ามไม่ได้ก็เจอคนอาจจะทุบตีกันอีกนี่ทาเพราะอารมณ์แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา มาได้ยินได้ฟังว่าทำบาปไม่ดีนะทำบุญดีกว่านะนีเ้เวลาที่เรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็ต้องคอยควบคุมใจเราละอย่าไปทำบาปนะต้องบอกทำแล้วเดี๋ยวไปเป็นเปรตนะไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกถ้าเรามีอะไรเตือนใจเราก็จะหักห้ามใจของเราได้เวลาที่อารมณ์เราไม่ดี เวลาเราเอารมณ์ดีอยากจะทําบุญก็ไปเลยเช่นวันนี้อยากจะไปวัดไปทําบุญไปเลยทําบุญเท่าไหร่เมื่อไหร่ดีทั้งนั้นทําที่ไหนได้ทั้งนั้นทําที่วัดก็ได้ทําที่โรงพยาบาลก็ได้ทําที่โรงเรียนก็ได้ทําที่ปอเต็กตึงก็ได้ไปช่วยก็ เ, เก็บศพก็ได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้เรียกว่าเป็นการทําบุญทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นพยายามพยายาม ทำให้วันไหนไม่มีอารมณ์จะทำบุญก็ต้องบังคับเหมือนบอกทำบุญแล้วดีดีก็อยู่เฉยเฉยเดี๋ยวตายไปแล้วจะขาดทุนตายไปแล้วจะไม่ได้ไปสวรรค์แล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่าสวรรค์ของเทวดาอยากจะไปเป็นพรหมนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องไปถือศีลแปดต้องไปบวชเนีย่ยมานุ่งขาวห่มขาวนี่เป็นพวกที่จะไปเป็นพรหม พวนี้จะไม่เป็นเทวดาจะไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะหาความสุขทางใจทำใจให้สงบพวกที่ถือศีลแปดนี้เขาจะไม่กินข้าวเย็นเขาไม่หาความสุขจากการกินข้าวเย็นเขาไม่ร่วมหลับนอนกันเป็นผัวเมียกันก็ไม่นอนร่วมกันจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันจะไม่ไปหาความสุขจากการไปดูหนังฟังเพลง ไปเที่ยวตามสถานแหล่งบันเทิงต่างๆจะไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆจะไม่นับนอนมบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆจะเอาเวลาที่ไปทํากิจกรรมเหล่านี้มาทําจิตให้สงบมาฝึกนั่งสมาธิตอนต้นก็มาหัดไหว้พระสวดมนต์ก่อนถ้ายังสวดมนต์ไม่เป็นก็ไหว้พระสวดมนต์ไป เวลาสวดมนต์ก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าคิดได้ก็แสดงว่าสวดไม่ได้เรื่องเวลาสวดที่จะได้เรื่องต้องไม่คิดที่เขาให้สวดเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสจะได้ไม่มีความอยากที่จะไปดูอยากจะไปฟังอะไรถ้าสวดไปยังคิดถึงละครบุพเพสารีวาดอยู่นี่เดี๋ยวก็อยากจะดูขึ้นมาใช่ไหม ที่เขาให้สวดเพื่อจะได้ไม่ให้คิดถึงละครไม่คิดถึงเพลงไม่ให้คิดถึงแฟนไม่ให้คิดถึงอาหารไม่ให้คิดถึงเครื่องดื่มเพราะเวลาคิดแล้วมันอยากมันหิวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ศีลแตกตะบะแตกอยู่วัดไม่ได้ต้องของกลับบ้านแต่ถ้าไม่คิดได้ควบคุมความคิดได้ไม่คิดถึงสิ่งต่างๆได้ใจก็จะเย็นจะสบายจะมีความสุข โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการดูการฟังเพราะมันความสุขจากการดูการฟังมันเหมือนควันไฟเวลาดูก็สุขพอดูเสร็จก็หายไปหมดจางหายไปหมดเวลาดูละครก็เพ ล, ลิดเพ ล, ลินพอละครจบหายไปหมดแล้ว <S <S <S เหงาแล้วพอไม่มีอะไรให้ดูต่อก็เหงาขึ้นมาแต่ถ้าหยุดความคิดได้ทาใจให้สงบได้อยู่เฉยๆมีความสุข ไม่เหงาไม่ว้าเวไม่หิวโหยไม่อยากดูไม่อยากฟังอะไรนี่เรียกว่าความสุขระดับพรหมจะไปเป็นพรหมได้นี่จะต้องฝึกจิตทำจิตให้สงบทำสมาธิต้องละเว้นการเสพการในทุกรูปแบบเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสในทุกรูปแบบก็คือต้องถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่บเจ็ดศีลสามร้อยกว่านีย เป็นศีลของนักบวชศีลสิบก็สามเอ็นศีลสองิบเจ็ก็ของพระภิกษุศีลสามร้อยกว่าก็ของภิกษุณีภิกษุณีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วภิกษุณีก็คือผู้หญิงที่มาบวชเป็นพระนี่แต่ต้องถือศีลมากกว่าพระเพราะผู้หญิงนี่เกเรมากกว่าพระก็เลยต้องมีข้อห้ามมากกว่าพระพระมีห้ามแค่2องยยีแต่พวกผู้หญิงนี่ต้องสามร้อยกว่า ว่ามีเกเรมากกว่าพระทำบาปเก่งกว่าพระก็เลยต้องมีข้อห้ามมากขึ้นผู้หญิงนี่ทำบาปเก่งกว่าพระเจอกว่าผู้ชายซนกว่าผู้ชายเกเรมากกว่าผู้ชายก็เลยต้องมีศีลมากกว่าผู้ผู้ชายถ้ามาบวชเป็นภิกษุภิกษุณีแต่สมัยนี้เราไม่มีภิกษุณีแล้วเพราะว่ามันไม่มีการบวชมาอย่างต่อเนื่องเนี่ย ไม่มีภิกษุนี้มาบวชก็บวชไม่ได้ต่อไปถ้าเกิดไม่มีพระภิกษุอยู่ในโลกนี้แล้วจะใครคิดอยากจะมาบวชเป็นภิกษุเองบวชไม่ได้แล้วต้องมีภิกษุบวชทําไมต้องมีภิกษุมาบวชเพราะจะได้มีคนสอนไงว่าอยู่แบบพระอยู่ยังไงถ้าไม่มีพระมาสอนเราเราจะรู้หรือเป็นพระพระเป็นทำกันยังไงอย่างไรเป็นภิกษุณีทํำยังไง ร, รู้เปล่าถ้าอยากจะเป็นภิกษุณีขึ้นมาเนี่ย ถ้าไม่มีภิกษุณีมาสอนเราเราจะรู้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ศีลศีลสามร้อยกับข้อของภิกษุณีมีอะไรบ้างเราก็จะไม่รู้แต่ถ้ามีภิกษุณีมาสอนเรามาบวชให้เรามาเป็นอาจารย์เราเราก็จะรู้เขาจะคอยบอกเราว่าศีลข้อที่หนึ่งมีอะไรบ้างข้อที่สองมีอะไรบ้างเข า, ะาข2 2> จะให้เราเรียนทั้งหมดให้เราจดจำไหมและเวลาเราทำผิดศีลข้อไหนเขาก็จะเตือนเราห้ามเราเนี่ย ตอนนี้ไม่มีภิกษุณีมาสอนผู้หญิงให้เป็นภิกษุณีแล้วจึงบวชไม่ได้แต่เขาว่ามีภิกษุณีอีกสายหนึ่งสายมหายานยังมีอยู่แต่อยากจะไปเป็นภิกษุณีก็ต้องไปบวชของสายมหายานของเหล่านี้เขาเรียกว่าสายเทรวาดเทระวาดกับมหายานนี้คนละสายกันพวกมหายานนี้เขาเป็นพวกที่ออกจากประเทศเอินเดียแล้วก็ไปเผยแผ่ธรรมะที่ที่เบตที่ เมืองจีนที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีเนี่ยพวกนี้เป็นพวกมหายาณพวกเทราวานี่มาทางใต้มาทางศรีรังกามาทางพมา่ามาทางประเทศไทยมาทางลาวมาทางขาเขมร น, นี่คือเทรวาวะเทรวาวะนี้พิกษุดนี้หมดไปประมาณพันปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปแล้ว หลังจากนั้นก็ไม่มีไม่มีภิกษุณีในเทราวาเด็กต่อไปแต่ในมหายานเขายังมีอยู่เ็ายังมีการบวชภิกษุณีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ใครอยากจะเป็นภิกษุณีก็ต้องไปบวชกับพวกมหายานพวกเทราวานี้ไม่มีแล้วเมืองไทยเราจึงไม่มีไม่มีภิกษุณีจะมาเรียกร้องอย่างไรจะมาบังคับให้บวชมันก็บวชไม่ได้เพราะมันไม่ไม่มีภิกษุณีจะมา เป็นมาเป็นคนสอนว่าอยู่แบบพิกษุณีอยู่อย่างไรนี่คือเรื่องของศีลที่เราจะต้องมีถ้าเราอยากจะก้าวจากชั้นเทวดาขึ้นไปเทวดายังเสพกามอยู่เหมือนมนุษย์เหมือนเดรัจฉานเพียงแต่ว่าเทวดานี้มีแต่ความสุขตลอดเวลามนุษย์ก็ 50- 50บางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์ถ้าเดรัจฉานนี่ก็ร้อย ทุกตลอดเวลาสุขนิดเดียวอาจจะเก้าสิบกับสิบสุขตอนที่ได้เสพกามตอนที่ได้กินตอนที่ได้ร่วมหลับนอนกันเวลาอื่นก็ต้องหวัดหวัดระแวงกับภัยรอบด้านหรืออดอยากขาดแคลนหาอาหารกินไม่ได้พวกเปรตนี่ก็หิวตลอดเวลาพวกสูรกายก็กลัวตลอดเวลาพวกนรกก็เกลียดโกรธอาฆาตพยาบาทอยู่ตลอดเวลา นี่ละคือจิตใจของเราเปลี่ยนสภาพได้ด้วยความคิดด้วยการพูดด้วยการกระทําของเราเองพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเรามาหัดคิดดีพูดดีทําดีกันเพื่อจิตใจของเราจะได้มีแต่ความสุขกันถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีจิตของเราจะมีแต่ความทุกข์กันนี่แหละคือระดับของพมก็ต้องมานั่งสมาธิทาใจให้สงบ พอใจสงบก็เป็นพรมขึ้นมาพรมก็มีหลายชั้นเพราะความสงบก็มีหลายระดับสงบมากสงบน้อยมีแปดชั้นเรียกว่าฌารูปฌารสี่รูปฌา 4, รสีรว่วลานั้นสมาธิจิตเป็นจะสงบเป็นขั้นขั้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามไปจนถึงขั้นที่แปดก็จะได้เป็นพรมล้ต่างกันเพราะความสุขมันต่างกัน ถ้าสงบมากก็สุขมากสงบน้อยก็สุขน้อยนี่เป็นขั้นของพรหมแล้วเหนือพรหมยังมีขั้นพระอริยเจ้าอีกถ้าอยากจะขึ้นไปขั้นพระอริยเจ้านี้ต้องทำอะไรต้องศึกษาความจริงให้รู้ว่าอะไรทำให้จิตเราสุขอะไรทำให้จิตเราทุกพระพุทธเจ้าบอกสิ่งที่ทำให้จิตเราสุขทำให้จิตเราทุกก็คือความอยากเวลาเกิดความอยากแล้ว จิตจะร้อนขึ้นมาทันทีตอนนี้จิตเย็นสบายนั่งเฉยๆฟังเทศได้เดีย๋ยวถ้าเกิดอยากกินขนมขึ้นมานี่ทนอยู่ไม่ได้แนละ้วอยากจะไปดื่มกาแฟนี่ใจจะร้อนขึ้นมาทันทีนี่คือความอยากอมตะเจ้าบอกว่าให้รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่จะฉุดจิตให้เราไป ไปเสกกรามกันจะดึงจิต em, เราลงจากสวรรค์ชั้นพรหมมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพจะดึงให้เรากลับมาเป็นมนุษย์กันมาเสกกรามกันถ้าไม่อยากจะลงมาก็ต้องห้ามความอยากไว้มีเกิดความอยากก็ต้องฝืนมันอยากทำตามความยาาอยากถ้าฝืนความอยากได้ต่อไปความอยากมันจะหมดไปฉันอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มทุกครัง้งอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มเดี๋ยวความอยากก็หายไป คนที่เลอกดื่มกาแฟได้เพราะเขาไม่ดื่มนะคนที่เลือกดื่มก็ดื่มโซดาได้เพราะเขาไม่ดื่มเวลาอยากจะดื่มโซดาก็ไม่ดื่มเพราะดื่มแล้วมันติดไงติดแล้วต้องดื่มเรื่อยๆถ้าไม่อยากจะติดก็ต้องไม่ดื่มแต่ก็ต้องทนทุกข์หน่อยเพราะเวลาอยากแล้วมันใจมันสั่นอยากดื่มกาแฟแล้วไม่ได้ดื่มนี้ใจสั่นอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวนี้ใจสั่นแต่ถ้าเรา ฝึกจิตได้ทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้เราจะฝืนมันได้เพราะเวลาอยากขึ้นมาแล้วมันสันแล้วก็สวดมนต์ไปพุทโธไปใจก็จะหายสันได้แล้วเราก็จะเลิกได้เลิกความอยากต่างๆได้ถ้าเราเลิกได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์อีกเราไม่ต้องมากลับมาเป็นมนุษย์แล้วมาทำบุญทำบาปเพื่อให้ขึ้นไปเป็นเทวดาหรือลงไปเป็นเปรต ก, กันอีก เราก็พอตัดความอยากได้หมดเราก็ไปถึงขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นของพระอาหารหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ต้องขึ้นขึ้นลงลงตามอำนาจของบุญของบาปที่เรามาทำกันเพราะเราไม่มาเกิดแล้วเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาทำบุญไม่ต้องมาทำบาป ก, กันนี่แหละเป็นขั้นสูงสุดขั้นนี้จะต้องต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระสาวกมาสอน ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะขึ้นไปขั้นพระอริยเจ้าไม่ได้ขึ้นไปได้แค่ชั้นพรหมเพราะทุกศาสนาก็สอนถึงระดับพรหมได้สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเขาก็สอนให้ไปเป็นพรหมกันเขาก็สอนให้นั่งสมาธิสอนให้ถือศีลกันแต่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรที่ทำให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันมีพระพุทธเจ้าคนเดียวที่คนพบว่า สิ่งนี้ทําให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายก็คือความอยากของเราพออยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูก็ต้องมีไปหาร่างกายเวลาอยากดูก็ต้องมีร่างกายอยากฟังก็ต้องมีร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อนี่แหละสิงนี้ต้องรอมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราถึงจะไปนิพพานกันได้เราถึงจะไปแบบไม่กลับมาเกิดได้ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไปได้แค่เป็นพรหมพอเป็นพรหมแล้วเดี๋ยวพอบุญหมดก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําบุญใหม่แล้วก็ขึ้นไปใหม่ก็จะกลับขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคาสอนที่จะสอนให้เราละความอยากให้หมดอย่าไปอยากดูอยากฟังอย่าไปอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่น เวลาอยากก็ไปนั่งสมาธิไปไหว้พระสวดมนต์เนี่ยมาอยู่ที่นี่เวลาอยากก็รีบสวดมนต์ซะอยากกินข้าวเย็นเย็นนี้ก็รีบสวดมนต์เนี่ยเย็นนี้รีบลงทําวัดหกโมงเย็นแล้วจะได้ไม่ไม่หิวถ้านั่งอยู่ที่พักเหนียวนั่งคิดถึงอาหารแล้วมันเดี๋ยวอดไม่ได้เนี่ยก็ให้ไหว้พระสวดมนต์ตอนเย็นเพื่อจะได้ไม่หิวกันนะนี่แหละคือเรื่องของจิตใจของเราที่ จะขึ้นสูงลงต่างําก็อยู่ที่การกระทําของเราทางกายทางวาจาและทางใจจะทําดีได้จะไม่ทําบาปได้ก็ต้องมีคนคอยสอนคอยเตือนมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นเราควรที่จะอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยู่ไกลแล้วเดี๋ยวจะมีพวกมารมาชวนให้เราไปทําบาปกันเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็นชวนมาไปชวนไปกินเหล้ากันชวนไปเต้นแรงเต้นกากัน ถ้าเราอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ก็บอกอย่าไปนะเดี๋ยวสวดมนต์ไหว้พระดีกว่าแล้วใจจะได้เป็นพรหมเป็นเทพเป็นพระอริยเจ้าต่อไปอย่าทิ้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์แล้วจิตใจของเรามี จ, าจะเจริญขึ้นไปโดยถ่ายเดียวจนถึงขั้นสูงสุดขั้นที่เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไป พวกเราโชคดีชาตินี้เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าเป็นแบบพวกไก่ได้พลอยรู้จักไก่ได้พลอยไหมไก่เวลามันขุดคุยมันหาอะไรมันหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนเวลามันเจอพลอยเพชรมันเขียยทิ้งหมดเพราะมันไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยเพราะมันกินไม่ได้แต่พวกเราไม่ใช่เป็นไก่เรารู้คุณค่าของพระรัตนกรายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่จะสอนให้เราทําบุญละบาป พุทเิศสอนให้เราชำระความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายกองคุกแห่งการเวทว่ายตายเกิดกันดังนั้นขอให้เราอย่าลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าวัดอย่างสม่ำเสมอฟังเทศฟังธรรมอย่างเสมอและปฏิบัติตามคาสอนอย่างสม่ำเสมอแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยถ่ายเดียว การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะธาวาิวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกา ป, กปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิตเจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยะามานิโตติราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริตสะนิจจังวุธาปจายโน จตารโธมาวทานติอายุวนโนสุขังภาลางมาจากสิงคโปรก็ยังรู้จักสาธุเลยคนไทยเรากับไม่รู้สาธุสูบเขาไม่ได้ไหมวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางบ้านครับวันนี้ทาง ทั้ง Facebook ทั้ง f a c e b o o ห้าร้อยสิบปดคนย o u t u หนึ่งร้อยสี่สิบสี่คนวิทยุออนไลน์ยี่สิบเอดคนรับฟังบุญข่าวสี่สิบ้าคนรวมทั้งสิ้นเจ็ดรอยี่สิแปดคนครับวันนี้แตะเจ็ดร้อยนะว่าเฟซบุ o o ห้าร้อยกว่านะวันแรกเลยนะครับห้าร <5 18. S 2> ้อยสิไม่เคยขึ้นถึงห้าร้อยกว่าส่วนใหญ่สี่ร้อยกว่าสามร้อยกว่าเี๋วันนี้ห้าร้อยกว่า <c oughs> วันนี้เลยเจ็ดร้อยขึ้นไปเลย มีใครอยากจะถามไหมมีคำถามอยากจะถามหรือเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านเขาถามน ะ, ะหรือเดี๋ยวอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาก็ได้อยากเนละอ้เดี๋ยวขอใหม่ให้ทางนไหน ย, นยทางคุณผู้หญิงใส่เสื้อลายเนี่ยค่ะอยากถามพายุนั์ว่าเกี่ยวกวับเรื่องความตายอะคะอ่ะก็คื อ, อรู้ว่าถ้าถ้าสมมติว่าเรากำลังจะตา ย, ยางไงคะ่ะให้เราเหมือนแบบ จิตอยู่กับบริกรรมอยู่กับพุโทโธหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยเวลาที่มันเกิดเราคิดว่าเรากำลังจะตายเงี้ยค่ะมันกระเจิดกระเจิงมันไม่สามารถที่จะคิดเรื่องดีๆออกหรือว่าพุโทโธอยู่เงี้ยค่ะมันมันหายไปหมดเลยมันมีแต่ความกลัวเงี้ยค่เ ร, เราฝึกมันฝึกน้อยไปเนยเราต้องพยายามฝึกตอนนี้ตอนนี้เรามีเวลารีบฝึกแล้วเราเป็นเหมนนักมวยถ้านักมวยไม่ซ้อมเวลาขึ้นเวทีก็โดยก็ โ, กโชคอย่างเดียว ถ้าเราซ้อมอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วก็ชกมันเลยแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแต่ก็คือให้เราจับติดให้อยู่กับพุโทโธใช่ไหมให้มีสติอยู่กับพุโทโธแล้วเราจะคุมจิตใจเราได้อไม่อยู่ก็เราทําน้อยไงลองทําทั้งวันดูสิลองฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้คิดอาบน้ำอาบท่าไม่ต้องคิดกับพุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องคิดกับพุทโธไป แต่เอาชอบคิดเนี่ยทำอะไรก็คิดถึงเนื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เราก็เลยคุมความคิดไม่ได้พอเวลาจะตายมันยิ่งตื่นเต้นตกใจมันยิ่งคิดมากใหญ่เลยเลยควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่ตอนนี้พอต่อไปเราคุมมันได้แล้วเราจะมั่นใจว่าเราจะไม่เราจะไม่เดือดร้อนเวลาเราตายเราจะทําใจให้นิ่งให้สงบเหมือนเรากำลังให้มันนอนหลับเท่านั้นเองความตายก็คือการนอนหลับเท่นั้นตั้งแต่ว่าเราไปกลัวมันเราก็เลย pattern, ตื่นเต้นตกใจกันไป ตอนเย็ น, นมันก็นอนหลับยาวอ่ะหลับไม่ตื่นฮนะจะตื่นขึ้นมาก็ได้ร่างกายอันใหม่้็เรียกไปแป๊ไปแปลงร่างพอใจหเปล่าความตายนี่คือการแปลงร่างร่างกายเก่ามันเละเทะแล้วมันหนังเหี่ยยนแล้วเดี๋ยวไปเอาร่างกายใหม่เสาวๆดีกว่าอทอนตายก็มีแค่นี้นี่อยู่ที่เราควบคุมจิตใจเราได้หรือเปล่าต้องหัดควบคุมตั้งแต่บัด น, นี้หัดพุทโธพุทโธไปตั้งแต่บัด น, นี้แล้วต่อไปเวลาตายเราจะใช้พุทโธนี้ ทำให้ใจเราสงบได้จะถามเลยเดี๋ยวจะถามงานพยายามฝึกพุโทโธไปฝึกพุโทโธก็เรียกว่าเป็นการฝึกสติสตินี้เป็นตัวที่จะหยุดความคิดได้ที่จะทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ก็คือสตินั่งนั่งสมาธิไปกี่ชั่วโมงก็จะไม่สงบถ้าไม่มีสตินั่งไปก็ฟุง้งคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วนั่งไม่ได้นั่งนั่ ง, งนี้ไม่ได้เรียกว่านั่งสมาธิเรียกนั่งฟุง้งถ้านั่งสมาธิต้องมีสติถึงจะได้สมาธิเน้นต้องหัดสติก่อนมานั่งต้องมีสติฝึกสติก่อนต้องฝึกพุทโธกันพอมานั่งเราก็ก็อยู่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าหยุดพุทโธแล้วเดี๋ยวจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้อคําถามคําถามได้จากทางไลน์ครับจากคุณนิรันดร์ครับ บิดามารดาไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมองว่ามรรคผลนิพพานเป็นเรื่องไม่มีลูกเห็นความทุกข์ของชีวิตจึงวางแผนจะเข้าสู่ทางธรรมทําให้คุยกับบิดามารดาไม่รู้เรื่องเหมือนอยู่กันคนละโลกจนล่วงเกินบิดามารดาไปหลายครั้งรู้สึกไม่สงบเมื่อต้องคุยกับบิดามารดาควรทําอย่างไรดีเจ้าคะ่ะก็อย่าคุยเลยหมดเรื่องไปเลยเรื่องของเราเขาไม่ได้ไปกับเราอยู่แล้วใช่ไหม คุยไมคเขาก็ไม่ไปกับเราอยู่แล้วไปเลยไม่เห็ น, ปนไปไหนก็ไปเรียนหนังสือเท่านั้นเองไปบวชก็ไปเรียนหนังสือก็ยังมาเจอกันได้คิดถึงก็มาเยี่ยมกันได้ไม่ใช่ว่าจะตายหายจากหายตายจากไปไหนแต่ช่วงแรกๆใหม่ๆอาจจะหายไปไกลๆหน่อยจะได้ไม่มารบกวนใจพอเห็นกันแล้วเดี๋ยวใจมันจ ะ, ะใจมันจ ะ, อ, ะอยากจะกลับไปบ้านในเวลาบวชใหม่ๆนี้ต้องไปอยู่ไกลๆอย่าไปเจอหน้าคนที่รู้จักกัน แต่พอไปฝึกจิตเข้มแข็งแล้วก็มาอยู่กันได้อยู่ใกล้บ้านอยู่ติดมาเยี่ยบ้านทุกวันก็ได้นแต่ตอนฝึกจิตใหม่ๆนี้จิตมันยังอ่อนไว้อยู่ต้องฝึกให้มันแข็งก่อนพอมันแข็งแล้วมันยืนของตัวมันได้แล้วทีนี้มันจะไม่ไหลไปตามคว้ออารมณ์แล้วมันเห็นอะไรมันก็จะเฉยได้นะอย่างเรื่องบทนี้อย่าไปคุยกับคนอื่นแล้วไม่เข้าใจหรอกคนละโลกกันเข้าใจไหมพระพุทธเจ้ายังไม่ได้คุยกับใครเชื่อไหมเราเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้คุยกับใคร ก็จะเอาคุยบ้างแต่ขอคุยก็รู้ว่ามันไมไ่ไม่ได้ท่านถึงไม่ลาไม่ลาไปเนี่ยท่านไปตอนตอนคืนเที่ยงคืนเนี่ยคนนอนหลับหมดแล้วไม่มีใครมาห้ามถ้าเราไปกัมวันดูสิโอเดี๋ยวส่งกองทัพมาเ mm hmm. <c oughs> นี่ยงั้นอย่าไปเรื่องของการบวชนี่อย่าไปคุยกับคนอื่นคนที่ไม่เข้าใจอย่าไปคุยถ้าเขาเข้าใจเขาจะอนุโมทนาเลยก็าบอกดีเลยพี่ไปเลยพร้อมเมื่อไหร่ไปเลย อย่างนั้นอย่าไปคุยกันแล้วจะมาเสียใจเนี่ยคุยแล้วก็พอคุยแล้วก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็น่วงเกินกันเรื่องอย่างนี้คุยกันไม่ได้เราเตรียมตัวเตรียมใจไว้พอเราพร้อมเราก็ไปเลยเขียนจดหมายลาไปหน่อยว่าขอไปศึกษาช่วคราวเดี๋ยวจะกลับมาไม่ได้ไปตลอดบอกเขาว่าคำถามต่อไปจะทังอินบ็อกซ์ครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พอดีช่วงนี้ดวงตกมากแล้วเพื่อนที่มาอยู่รอบข้างดูจะดวงซวยไปด้วยเกี่ยวกับเราไหมคะหรือเพราะมาอยู่ใกล้เราเขาถึงซวยคะ่ะไม่เกี่ยวหรอกมันเรื่องของคนซวยชอบอยู่ด้วยกันคนซวยก็คือคนไม่ดีนั่นแหละชอบทำกรรมไม่ดีมันถึงซวยถ้าทำกรรมดีไม่มีซวยหรอกคนชอบกินเหล้าเมายาเล่นการพนันมาอยู่ด้วยกันมันก็ซวยด้วยกันคนทาบุญก็ไม่ซวยหรอกคนไปอยู่วัดนี้ไม่มีใครซวยใช่ไหม ลองไ่บวช ด, ดูจะหายสวยเลยไม่ไปเองของดีไม่เอามั้วก็มาบ่นว่าสวยมันไม่สวยหระมันอยู่ที่กรรมอยู่ที่การการะทาของเราทำไม่ดีมันก็ได้แต่เรื่องไม่ดีกลับมาทำดีมันก็จะได้เรื่องที่ดีกลับมาคำถามต่อไปจากคุณ Osk หนึ่งหนึ่งห้ามีคนบอกว่าเพราะเราทำบุญสวดมนต์สมาธิแผ่เมตตาและอุทิศบุญกุศลเป็นประจำ ทำให้มีวิญญาณสัพเพเวสีมาติดตามทำให้เจ็บป่วยบ่อยๆอันนี้เป็นไปได้หรือครับไม่ได้หรอกไม่เป็นหรอกพูดบากพวกคนตาบอดพูดไม่รู้เรื่องไม่มีใครก็มาตามเราหรอกคำถามาต่อไปจากทาง f a c e b o o ไลฟ์ครับจากคุณหมายครับการปรามทยพระอาริยสงฆ์เป็นบาปไหมคะเช่นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่า หลวงตาลูบนี้ไม่ได้เป็นพระดีเท่าไหร่หรอกถ้าพระดีไม่อยากได้เงินได้ของใครหลอกการพูดแบบนี้โดยที่เจ้าตัวไม่รู้จริงเป็นบาปหรือไม่แล้วจะได้ผลอย่างไรเจ้าคะถ้ามันถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เป็นความจริงก็โกหกเรเลยเราอาจจะไปทำให้คนอื่นเขาเชื่อตามด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพระดีเราจะได้รับประโยชน์แต่ถ้าเรากลับไปว่าท่านไม่ดีเราก็จะไม่เข้าหาท่าน เมื่อเราไม่เข้าหาท่านเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากท่านเฉะนั้นการปรามานี้อย่างน้อยก็ทําให้เรานี้ถ้าทำเป็นพระดีแล้วไปปรามาทท่านมาไม่ดีเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากท่านเพราะเราจะไม่เข้าหาท่านเพราะเราจะไม่เชื่อท่านคําถามต่อไปจากคุณตูนครับขณะที่ผมนอนหลับผมฝันว่าโดนมีดบาดแต่ทําไมรู้สึกเจ็บเหมือนโดนบาดจริงๆครับ แค่ฝันเองก็นั่นแหละว่าความฝันมันเป็นความจริงไงถึงบอกว่าทําบาปทําบุญเนี่ยเวลานอนหลับมันเวลาเราหลับลเวลาฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันเชื่อมนะั้ยเราจะมารู้ก็ตอนที่เราตื่นแล้วว่าอ๋อเมื่อกี้นี้ฝันไปแต่เวลาฝันนี่มันเหมือนจริงทุกอย่างเลยงั้นอย่าไปทําบาปเพราะทําบาปแล้วมันจะฝันแต่เรื่องเรื่องไม่ดีถ้าทําบุญมันก็จะฝันแต่เรื่องดีคํำ ถ, ถามต่อไปจะคุณชุตินันท์ครับ เวลาเจ็บป่วยจะกลัวมากแสดงว่ามนุษย์กลัวตายเวลากลัวจะเกิดความเครียดทําให้โรคภัยยิ่งเป็นหนักขึ้นควรทําอย่างไรดีคะจะได้ไม่กลัวก็ฝึกสติกันยมาหาัดพุทโธพุทโธกันเวลาเกิดความกลัวแล้วก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความกลัวก็หยุดเพราะความกลัวมาจากความคิดถึงความตายพอเราหยุดคิดถึงความตายเราก็หายกลัวยังต้องขยันพุทโธพุทโธ คำถามต่อไปจากคุณฟิชครับครับเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดปวดขาขึ้นพอเข้าไปดูความปวดนั้นจะยิ่งชัดแต่ยิ่งเย็นสบายภายในจิตแบบนี้คือได้สมาธิหรือไม่ครับถ้าจิตเย็นสบายก็ได้สมาธิระดับหนึ่งแต่ยังไม่ระดับเต็มที่คำถามต่อไปจากคุณธเนศครับกรรมที่ทำไปแล้วแก้ไขยอย่างไรถ้าแก้ไม่ได้จะทาอย่างไรครับก็รอรับผลอย่างเงี้ ทำบุญก็รอรับผลบุญทำบาปก็รอรับผลบาปไปคำถามต่อไปจากทางยูทูบครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าคำว่าตื่นรู้หมายถึงมีสติโฟกัสใจให้อยู่กับปัจจุบันไม่มีอดีตเพราะล่วงผ่านไปแล้วไม่มีไม่มีไม่มีอนาคตเพราะยังมาไม่ถึงใช่ไหมคะใช่แล้วอดีตก็เป็นความฝันอนาคตก็เป็นความเพอ้อฝันฝันทั้งนั้น ถ้าเราไปอดีตไปอนาคตเรากําลังฝันถ้าเราอยู่ปัจจุบันแล้วก็แสดงว่าเราเติมคําถามต่อไปจากคุณจากคุณสุ ม, มนครับเวลานั่งสมาธิจิตมันชอบคิดถึงเรื่องอื่นเข้ามาจะทําอย่างไรคะถราพุทโทสู้มันด้วยเวลานั่งสมาธิถ้าไม่มีพุโทโธก็ไม่ได้เรียกว่านั่งสมาธิก็เลยเรียกเรียกว่านั่งคิดนั่งคิดปล่อยให้มันคิดไง เราอย่าปล่อยให้มันคิดเราต้องพุโทโธพุโทโธหยุดมันคําถามต่อไปจากทาง a c e b o o k ครับจากคุณทองปรดครับอยากทราบวิธีแก้จิตฟุ้งครับก็พิ่งตอบไปเมื่อกี้ <c oughs> ก็มีสติไงพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะไม่ฟุง้งพอไม่มีสติมันก็ฟุง้งคําถามต่อไปจากคุณเจเจจีครับ ดิฉันเป็นคนที่ไม่ยุ่งไม่แม้แต่จะพูดคุยกับญาติหรือบุคคลที่มักจะนําเรื่องราวไปนินทาว่าร้ายให้คนอื่นฟังการที่ดิฉันหลีดเลี่ยงคนพานด้วยวิธีแบบนี้ถึงแม้จะมีบ้านเรือนอยู่ใกล้กันดิฉันทําถูกหรือไม่เจ้าคะหรือดิฉันควรจะทําอย่างไรเจ้าคะคือถ้าไม่มีความจําเป็นก็อย่าไปยุ่งกับเขาแต่ถ้า ม, มีความจําเป็นเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือมาอะไรเราก็อย่าไปลังเกียจเขา ก็มีอัธยาศั ย, าายมีไมตตีจิตกับเขาไปแต่เราอย่าไปคุกเขี่ยเขาถ้าไม่จำเป็นก็ถอนตัวเราออกมาแต่ถ้ายังมีความจำเป็นเราอยู่ร่วมกันในโลกนี้บางทีก็ต้องมีการพบปะกันก็อย่าไปแสดงอาการนังเกียรตต่อเขาก็แล้วกันแต่คบให้น้อยที่สุดคำถามคาถามต่อไปจะคุณโชติครับ การอยากได้สมบัติจากพ่อแม่ทวงพูดทวงถามบ่อยจากท่านจะบากไหมคะบาปพ่อโลมันไม่ใช่ของเราสมบัติของพ่อแม่ก็ของพ่อแม่พ่อแม่จะให้เราหรือไม่ให้เรานี่เป็นสิทธิ์ของพ่อแม่แต่เราบลกจะไปคิดว่าเป็นของเราแลพอเห็นพ่อแม่เอาเงินไปทำบุญก็โกรธเสียดายว่าเหมือนที่เอาเงินของเราไปทาบุญเนี่ยความหลงมันทำให้ความหลงทาให้เกิดความโลภทำให้คิดไม่ดีต่อพ่อต่อแม่ แทนที่จะอนุโมทนากับพ่อแม่ว่าโอแม่แม่พ่อแม่ทำบุญพ่อแม่จะได้ไปสบายไปเป็นเทวดากับโวงเงินพ่อแม่ไปนี่ไม่ถูกต้องคิดว่าเงินทองนี้ไม่ใช่เป็นของเราสมบัติของพ่อแม่เป็นของพ่อแม่พ่อแม่ใจยกให้ใครได้ทั้งนั้นยกให้เราก็ได้ยกให้วัดก็ได้สิ่งสมบัติของเราพ่อแม่ก็ให้เรามาแล้วคือร่างกายเราเนี่ยวิเศษกับสมบัติทั้งหมดที่พ่อแม่มีอยู่แล้วถ้าไม่มีร่างกายนี้เราจะมีอะไรได้บราง เรามันไม่คิดกันความโลภมันทำให้เราตาบอดกันไม่เห็นบุญคุณของพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเราเลี้ยงเราอยู่ในท้องต้อง89เเดือนแล้วออกมายังต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอีกต้อง2ี่สิปีแล้วยังจะไปโกรธพ่อโกรธแม่เพราะเพราะพ่อแม่เอาเงินไปทำบุญไม่ถูกนะคิดอย่างนี้เป็นลูกทรารพีลูกอกตันยลูลูกไม่มีความกตันยูกตเวที ต้อนําเลือกข้อมูลคุณของพ่อแม่อยู่เสมอบอกว่าพ่อแม่ให้ซรัพย์อันประเสริฐแก่เราแล้วคือร่างกายอันนี้มีร่างกาย น, นี้สามารถเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านได้ถ้าเราขยันเราฉลาดเราไม่ต้องมารอรับมาเดกของพ่อแม่เราเราหาของเราเองได้มากกว่าพ่อแม่จะให้เราอีกพ่อแม่ให้เครื่องมือเราแล้วคือร่างกายของเรานี้ถ้าเราไม่มีร่างกายนี้เราไม่มีไม่มีวันที่จะมีอะไรได้เลยยังให้คิดให้ถูก ไม่อย่างจะเป็นคนอาคาตันอยู่จะเป็นคนคนเหนื่อเรคุณได้แต่ถ้าเรานึกถึงบุญคุณอันประเสริฐของพ่อแม่ที่ให้ชีวิตกับเรามานี่เราจะรักพ่อรักแม่เคารพพ่อเคารพแม่อยากจะให้พ่อแม่มีความสุขอยากให้พ่อแม่ไปสวรรค์พ่อแม่อยากจะทําบุญเท่าไหร่เอาเลยมรดก ok. ทั้งหมดนี้อย่ายกให้วัดก็เอาไปเลยถ้าแม่พ่อแม่อยากจะทําเราหาของเราเองได้ อย่างนี้จะดีกว่าเราจะได้บุญด้วยเราจะได้ความสุขที่เห็นพ่อแม่มีความสุขคาถา ม, ถามต่อพักรคุณสกล ค, ครับผมฝึกสมาธิกรรมฐานทุกวันก่อนนอนแต่ชีวิตกลับมีปัญหาเกิดจากอะไรครับมันคนละเรื่องกันฝึกสมาธิกรรมฐานก็เพื่อให้ใจเราสงบไอ้ที่เรามีเรื่องก็เพราะเราชอบไปก่อเรื่องเองไปทำธุรกิจไปมีอะไรปัญหากับคนค น, นั่นคนนี้มันก็มีเรื่องขึ้นมาสิ นั่งสมาธิได้ทั้งวันก็ไม่มีเรื่องไปบวชมันไม่มีเรื่องใช่ไหมแต่เรานั่งสมาธิ น, นิดเดียวเรามาอ้างว่านั่งสมาธิทําให้มีปัญหาไม่ใช่หรอกเราเวลาที่ไม่นั่งสมาธิทําอะไรล่ะไปกินเหล้าเมายาเปล่าไปเล่นการพนันหรือเปล่าไปประพฤติผิดประเวณีหรือปเปล่าไปเที่ยวบาร์เที่ยวผับหรือเปล่าไม่ไม่พูดถึงเนี่ยพูดแต่เรื่องนั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วทําให้มันไม่ใช่หรอกถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวไม่มีทางทาี่จะมีเรื่องมีดาวกับใคร ไปดูพระสององค์เจ้านั่นในนั่งสมาธิในป่าคนเดียวจะไป ม, มีเรื่องอะไรกับใครนะมันไม่ใช่เรื่องจะเกิดจากการนั่งสมาธิหรอกมันเรื่องจากเรื่องอื่นเพียงแต่ไม่พูดให้ฟังนั่นเองคําถามต่อไปจากคุณรุ่งครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วตึงตึงเกร็งเครียดว่าจะหยุดภาวนาแล้วให้มันเลิกเป็นแล้วค่อยภาวนาใหม่ไม่ทราบว่าผมคิดถูกหรือไม่ครับ ไม่ถูกหรอกครับเพราะว่าถ้าทาใหม่มันก็เป็นอีกที่มันเป็นเพราะกิเลสมันต่อต้านพอเราจะพูดโธมันกิเลสมันก็จะทําให้เรารู้สึกอึดอัดขึ้นมาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าให้นั่งกินเหล้านั่งเล่นไพ่นี้นั่งดูหนังนี้ไม่เจ็บเลยพอให้นั่งพุทโธก็มาเป็นอย่งนี้เาจะรอให้มันหายแล้วกลับมานั่งพอมานั่งใหม่มันก็เป็นอีกอย่านอย่าไปสนใจนะมันเป็นมารก็เรียกมานมานมันสร้างภาพหลอกเราหลอนเรา ให้เราอยู่กับพูดโทรไปอดทนไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองคำถามต่อไปจกทาง YouTube ครับจากคุณโบโบครับที่พระอาจารย์บอกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วจิตใจเย็นสบายจะได้สมาธิในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วจุดที่เป็นสมาธิจริงๆ จ, จ, จะรู้สึกอย่างไรคะ อ, อ๋อมันแบบตกลุมตกบ่อแล้วก็ เงียบสงบเย็นสบายเหมือนขึ้นสวรรค์เหมือนอยู่เข้าไปในห้องแอร์เหมือนอยู่ในคอะโลกเลยถ้าเหมือนกับกระโดดลงไปในน้ําลงไปดําน้ําเลยอยู่ในโลกบาดาลเสียงเสียงทางข้างบนนี้ไม่ได้ยินละเสียงนกเสียงกาเสียงเครื่องบินเสียงอะไรไม่ได้ยินเวลาเจ็ดดวงนั้นรูปเสียงกิดร้อนนี้หายไปหมดเลยครับคําถามต่อไปจากคุณหมูหมูหมูครับ S <S เวลาจิตค mm ิด hmm. ถึงโกรธแค้นมีจิตรู้แต่มันกลับบอกว่าเดี๋ยวขอคิดอีกหน่อยมันไม่ยอมก็มันเด้อไม่ใช้พุทโธตบมันเลยพ่ามันเด้อพุทโธพุทโธพุทโธใส่มันไปเลยเราไม่ต่อยมันนั่งอ่ะมันปล่อยให้มันต่อยลอยมีเครื่องมือไม่ใช่เนี่ยพระพุทธเจ้าให้เครื่องมือมาให้พุทโธมาก็ไม่ยอมใช้กัน แล้วก็ต้องแพ้เขาอยู่เรื่อยนะคำถามต่อไปจากคุณกบันครับถือศีลห้าเป็นชีวิตจิตใจ ย, ยอมตายซะดีกว่าล่วงละเมิดอยากเข้าโลกุตละจะได้หรือไม่ได้ถ้ารักษาศีลห้าเวลาตายยอมตายจะได้กว่าทําบาปนี่ก็เป็นคุณสมบัติของพระสวัสดบิบาลพระสวสดาบันนี้จะไม่ทําบาปเด็เดขาดแม้ว่าเวลาจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายนี่ยอมตายดีกว่ายอมเจ็บดีกว่า จ้าจะต้องไปขโมยเงินมารักษาตัวนี่ไม่เอาแต่จะต้องไปฆ่าคนนั้นคนนี้เพื่อมารักษาชีวิตของตนเองก็ไม่เอาตอนนี้คาถามหมดครับเออหมดแล้วก็เวลาก็ใกล้พอดีเหลืออีกสองนาทีมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมไม อ, อ่าส่งไมคไปตกท้ายหน่อยกลับมานาสการค่ะบหนังสือสอมบนรณ์ที่ถามว่า เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นี่หมายความว่าไงคะก็ใจไงใจเป็นผู้มีกรรมกรรมนี่ทําให้เราเป็นเปรตเป็นมนุษย์เป็นอะไรขึ้นมาเผ่าพันธุ์ไงเป็นมนุษย์ก็เป็นเผ่าพันธุ์อย่างหนึ่งเป็นเปรตก็เป็นเผ่าพันธุ์อย่างหนึ่งเป็นเดรัจฉานก็เป็นเผ่าพันธุ์อย่างหนึ่งผู้ที่ทําให้เราเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์ก็ก็กรรมที่เราทํำไงกรรมเราจะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้ให้กําเนิดเนี่ย มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะกรรมพามาไปเกิดเป็นเปรกก็กรรมพาไปไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็พาไปเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยเราสุขหรือทุกข์ก็เพราะจากบุญจากกรรมที่เราทำนี่ความจริงคำว่ากรรมนี้ไม่ได้แปลว่าบุบบาปอย่างเดียวคำว่ากรรมนี้เป็นคำกลางกลางการการะทำทำทำดีก็เรียกว่าบุญทำไม่ดีก็เรียกว่าบาปทำบุญก็มีความสุขทำบาปก็มีความทุกข์ เราจะมีกรรมเป็นผู้ให้ความสุขความทุกข์กับเราเหมือนกับเป็นที่พึ่งของเราเข้าใจยังอาจารย์ข้อีกข้อค่ะเวลานั่งสมาธินี่จาเป็นต้องเอาขาขวาทับเท้าขาซ้ายไหมคะหรือร่ า, างกัดสมาธิก็ได้ค่ะก็เหมือนกับเวลาที่เราเล่นกีฬาเนี่ยเขาจะมีวิธีให้เราเล่นเวลาจะตีเทนนิสนี่จะต้องจับไม้อย่างไรเวลาเล่นกอล์ฟจะต้องจับไม้อย่างไร จะจับแบบอื่นก็ได้แต่มันจะสู้วิธีที่เขาสอนไม่ได้เหมือนกับเวลานั่งสมาธิถ้าถ้านั่งได้นั่งตามที่พระพุทธรูปสอนเราเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเราทุกวั น, นสอนให้นั่งขัดสมาธิขวาทับซ้ายแต่ถ้าไม่ม า, ย, มา ย, ยังไม่ได้ก็ก็อย่าเพิ่งนั่งก็ได้ค่อยๆหัดไปเพราะคนแก่นี่มันจะดัดยากเส้นเอ็นอะไรต่างๆมันจะแต่ถ้านั่งแบบนี้ได้มันจะนั่งได้นานและนั่งได้สบาย แต่ถ้านั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถามว่าสู้นั่งแบบแบบแบบขัดสมาธิได้ไหมสู้ไม่ได้หรอกนั่งแบบขัดสมาธินี่เป็นท่าที่ดีที่สุดเหนเวลาเล่นกีฬาตีแบตเขาก็ต้องมีวิธีจับไม้แบตตีกอล์ฟก็ต้องมีวิธีจับไม้กอล์ฟไม่ใช่จับอยากจะจับตามที่เราอยากจะจับนี่มันต้องมีวิธีของมันนั่งสมาธิก็ต้องมีท่านั่งของมันแต่ถ้านั่งไม่ได้ก็ไม่ก็อย่าไปหยุดอย่าไปถือว่าเป็นอุปสรรค